เส็จดูความหนนะึ่งนที่น่าพิจารณาไม่ยากแล้วก็เราก็อาจจะเคยได้ยินทำทั้งหลายมีใจเป็นใจมีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วติดใจก็ว่าทำทั้งหลายนี่ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมและนามธรรมโรคที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะมีอยู่หรอือไม่ก็ ขึ้น อ, อยู่ที่ใจเรานะว่าไปรับรู้มันหรือเปล่ามันจะเป็นต้นไม้หรือภูเขาก็ อ, อยู่ที่ใจเราด้วยพราะจะเกิดวิปลาสวิปริตก็จะเห็นเป็นอย่างอื่นอย่างคนที่เขาใกล้ตายเนี่ยเมื่อาวานวันสื่อเรากรดูสไลด์นะที่คือคลิปที่คนใกล้ตายนี่การรับรู้โลกภายนอกขอเขาจะเปลี่ยนไป ไม่ได้เห็นเหมือนคนทั่วทวไปแล้วก็พอใจเขาเนี่ยเริ่มแปรปรวนแล้วซึ่งอาจจะอธิบายได้ด้วยประสาวิทยานอกจากรูปธรรมหรือโลกภายนอกที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแล้วเนี่ยไอ้ทั้งทั้งหลายนี่ก็รวมไปถึงความสุขความทุกข์นะ ของคนเรามันก็อยู่ที่ใจเป็นหลักก็ว่าได้นะบาคนไปคิดว่าเราจะมีความสุขได้เท่าเราได้กินได้เสพของที่อร่อยฟังเพลงเพราะได้ไปเที่ยวยที่สวยงามจะลองสมมติว่าเราไปกินร้านอาหาราที่มีชื่อนะ อาหารอร่อยเชลชวนจิมหรือว่าวิชลินสามดาวแต่ถ้าเกิดใจเราเนี่ยกาลังเป็นห่วงลูกงาที่กาลังป่วยอาหารอร่อยแค่ไหนกินก็ไม่รู้สึกอร่อยไปด้วยหรือมีความสุขไปด้ว ย, ยไปฟังคอนเสิร์ตนะของดาราชื่อดัง แต่ว่าใจนี่เป็นห่วงงานหรือว่ากาลังเป็นห่วงสุขภาพตัวเองไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็ไม่มีความสุขนะแม้นักร้องก็จะร้องได้ไภเราะหรือแสดงดีเพียงใดก็ตามไปเที่ยวไกลถึงอเมริกา <c oughs> ได้ไปดูสถานที่ทีออ่ a m a z ิ n g มากงดงาม แต่ถ้าจิตกำลังขุนมัวพอเพิ่งทะเลาะนะกับใครหรือว่าใครบางคนนะที่เกิดนะแซงคิวรัดคิวเราก่อนหน้านั้นถ้าใจหมุนหงิดใจขุนมัวแล้วเนยะไปอยู่ที่ไหนมันก็สวยงามเพียงใดก็ไม่มีความสุขหั่ใจเนี่ยเป็นองค์ประกอบสังคำนะของความสุขแนะม้กระทั่งความสุขที่เราคิดว่าเกิดจาก การที่ได้เสดได้กินได้เห็นได้บริโภคนะสิ่งที่น่าพึงพอใจไม่ความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์นี่มก็อยู่ที่ใจเป็นหลักก็ว่าได้แนละ้สิ่งภายนอกอะไรก็ตามมากระทบกับเราหรือเกิดกับเราเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะ้ หามว่าใจของเราเนี่ยไม่ไปร่วมมือด้วยอะไรเกิดขึ้นกับใจนะก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราวางใจอย่างไรหรือไปรู้สึกกับมันอย่างไรหรือไปทำอะไรกับสิ่งนั้นแต่ว่าเนื่องจากเรานี่ไม่ค่อยสังเกตดูใจของตัวเองเวลามีความทุกข์เมื่อมีอะไรมากระทบ เราก็มักจะไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มากระทบเราจะเป็นเสียงดังแดดร้อนอากาศหนาวรถติดเศรษฐกิจนะตกตำ่ำเรามักโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นไซต์แห่งความทุกข์ของเรา ถ้าทุกข์กายนี่ก็อาจจะใช่นะแดดร้อนยุงกัดเนี่ยมันก็ทุกข์กายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าทุกข์ใจเนี่นะ ต, ต้องเรียกว่ามันเป็นเพราะใจเราเป็นหลักเลยหรือรุนรุนเลยเขาว่าได้เวลาหงดหงิดเนี่ยเมื่อได้นเสียงดัง เราสังเกตใจของเราดูเราก็จะพบว่าเนี่ยมันเป็นเพราะใจเราต่างหากที่เป็นตัวกลางให้เกิดความหมงุดหงิดไม่ใช่เป็นเพราะเสียงเสียงนี่ก็เป็นแค่องค์ประกอบรองปัจจัยรองปัจจัยเราก็คือใจของเราเทนั้นแหละ มีเรื่องเล่า ว, ว่าสมัยที่หลวงปู่บุตรดาน์เทวรยยังมีชีวิตถ้าท่านอยู่ถึงวันนี้ก็ร้อยยี่สิบห้าปีเมื่อก้า60หสิปีที่แล้วเนี่ยท่านได้รับที่มนให้ไปฉันเพงบ้านโยงหนึ่งในกรุงเทพพอฉันเสร็จท่านก็จะกลับวัดสิงห์บุรีแต่สมัยนั้นถนนก็ไม่ค่อยดีรถก็ไม่เร็ว อยู่เพื่าท่านชร า, าแล้วก็คงแปดสิบแล้วนะก็นี่มมาให้ท่านพักที่บ้านเขาก่อนอก็จัดห้องให้ผมปู่บุดาได้เองหลัง mm hmm. ก็มีลูกศิษย์ดูสามสี่คนมานั่งเป็นเพื่อนเวลาจะคุยกันก็ก็สิบกระาบกลัวจะไปรบ ก, กวนหลวงปู่ แต่บังเอิญห้องที่หลวงปู่พักเนี่ยมันดูติด ก, กับร้านขายของชำเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนอาสซิมเนี่ยสมัยก่อนหรืออมาม่าเนี่าก็สวมเกลี่ยยังสวมเกี่ยจนมาถึงเด็กเลยอัตมาตอนเป็นเด็กๆ ก, ก็ยังเคยสวมเกียไมาสมัยนั้นเนี่ยรองเท้าฟองนาง้ารองท้ายางนี่มันยังไม่มีหายยาก เจ้าของร้านนะักสิบเดินก็ ม, นมีเสียงดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่บุญตาจำวัดก็มีลูกศิษย์บางคนถึงไม่พอใจหุ่นงีดขึ้นมาก็เลยพูดเนี่ยเดินเสียงดังจําไม่เกรงใจกันเลยพลวปู่บุญตาท่านไม่ได้หลับเนะพอได้ยินท่านก็เลยพูดขึ้นมาเบาเบาเขาเดินเขาอยู่ดี ด, ดีเราหูไปลองเกี้ยวเขาเอง เสียงเกีย้ยนี่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ตัวการตัวการคือหูที่ไปรองเกีย้ยเรือกหูหาเรื่องเพราะไม่มีสติคเม่มีสติคปุ๊บเนี่ยนะหูมันก็ไปรองเกีย้ยทันทีหรือผู้ยา น, นคือรย์ก็ไปจดจออยู่ที่เสียงเกีย้ยทันทีทั้งที่ไม่ชอบเสียงเกีย้ยแต่ว่ายิ่งไม่ชอบนั่นแหละยิ่งจดจอ ยิ่งเอาหูไปรองเกียดหนักเข้าถ้าแมวหูวไปรองเกยีกแย้ว ก, ยนะก็ไม่ทุกใจนะนะเวลาเพื่อนบ้านนะส่งเสียงดังเล่นดนตรีหรือว่ากำลังซ่อมบ้านถ้าเราหงุดงิดเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะเรานะไม่มีสตินะหัวจึงหาเรื่องไปจดจอ่ออยู่ที่เสียงดังเหล่านั้นหรือมิฉะนั้นก็ปล่อยหัวไป รองคอนะที่เขากำลังตีตะปูอันนี้เราเราทุกความทุกข์เกิดขึ้นเพราะใจไปจดจอ่อกับต้นเสียงแล้วก็ที่จดจอ่อเพราะไม่มีสติแต่ที่จริงไม่ได้จดจ่อเปล่าๆนะมันไปสู้รถตกมือนะกับเสียงนั้นด้วย เมื่อสี่สิปีที่แล้วหลวงพ่อชาท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษตอนนั้นอาจารย์สุมเมโอนะก็ตามไปด้วยกับคณะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเกิดวัดป่าจิตวิเวกแล้วก็วัดอมรวดีในเวลาต่อมาตอนนั้นเจ้ า, าพเนี่ยให้คณะหลวงพ่อชาพักที่ วิหารกลางกรุงลอนดอนนะชื่อวิหารแฮมสเตดตรงคําววิหารเนี่ยมันก็เป็นมีผับมีบาร์กลางค่ากลางคืนก็มีการเล่นดตนตรีส่งเสียงดังร้องรำทำเพลงกันทนสนามก็มีช่วงเราเจะกันที่ผลงพ่อเนี่ยพาพาระยอบนั่งสมาธิสี่สิบนาที ค่ำวันหนึ่งเนี่ยขณที่พระรุ่ยยมนังสมาธิเสียงดนตรีดังเข้ามาถึงในวิหารพระหลายรูปโยมหลายคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชายถ้านั่งนิ่งเหมือนกับไม่ได้อิจฉอะไรเลยพอสมาธิเสร็จโยมก็คนหนึ่งก็มาหาหลวงพ่อชายแล้วก็มาขอโทษ พ, พูดว่านะขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิ นึกาฉยิ้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยโยไม่คิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต้องหาที่ไปรบกวนเสียงดนตรีทําไหมายความใจของเราเนี่ยนะมันไปทะเลาะกับเสียงดนตรีเหล่านั้นเสียงดนตรีก็ะทบผูเนี่ยมันไม่ทําให้ทุกขหรอกแต่พอใจเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงไปผักใส่เสียงนั้นอาจารย์นึงในใจว่าเนี่ย เสียงดังจริงว้ยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีทำไมมันร้องมปเป็นสับรถอย่างนั้นเล่นดนตรีผิดขีร้องผิดโ น, โดน้นอะไรเงี้ทะลอด <c oughs> นี่เราไปรบกวนเสียงดนตรีนั่นแหละนะคือที่หมางความทุกข์ใจใจทุกขเข้าไปผลักใส่ทั้าที่ไม่ชอบนะแต่เพราะไม่ชอบนะจึงไปยึดไปจดจอ่อ ล้วไม่ไดตรจต่อเปล่าก็ไปผักสาไปสู้รบจินมันก็เลยทุกข์จิตใจของเราทุกข์เพราะสองอย่างนะที่จริงเพราะอย่างเดียวอนยะ่าคือมันดิน้นจิตมันดิน้นและที่ดิ้นเนี่ยก็เพราะสองอย่างนะคือดินเพราชอบกับดินเพราะไม่ชอบถ้าชอบก็ดิ้นเพื่อจะครอบครองอยากได้ เราเคยเห็นเด็กนะเล็กๆมันดิ้นไหมผมอยากได้ขนมนอยากได้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะดิ้นเหมือนกันนะแต่บางคนก็ดิ้นในใจอาการไม่แสดงออกภายนอกแต่ดิ้นในใจเพราะอยากได้อันนี้เรียกว่าเพราะราคะหรือเพราะตัณหาดิ้นอีกอย่างนึงคือดิ้นเพราะผักไสอันนี้เราเกิดโทสะขึ้นมามันจึงผักไส ทำมาไม่ไปก็ยิ่งดิ้นเพิ่มปใหญ่ดอันนี้แหละคือที่มองความทุกข์ใจจริงๆอยู่ว่าแต่เสียงเลยนะความหนาวความร้อนเวลามันเกิดหรือเวลาร่างกายเราไปสัมผัสเนี่ยแล้วเราทุกขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตนะมันไม่ได้มีความทุกข์กายเท่านั้นนะมันมีความทุกข์ใจด้วย ถ้าคนเสพไม่สังเกตนะไปรู้สึกหรือไปเข้าใจว่ามันแค่ทุกข์กายแต่ที่ที่มีความทุกข์ใจแล้วทุกข์ใจนี่มันร้ายกว่าทุกข์กายนะทุกข์ใจเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะว่ามันบ่นใจมันบ่นมันโวยวายทำไมหนาวอย่างนี้นี่มันใกล้านารแล้วทำไมยังหนาวจิตที่บ่นโอดครวนหรือว่า จิตที่ผักใสในความหนาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ความทุกข์เนี่ยนะเพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ที่ซ้อนในความทุกข์กายแล้วเป็นความทุกข์ก้อนใหญ่ด้ยใหญ่กว่าความทุกข์กายซีกทันทีที่ใจมันหยุดบน่นใจมันยอมรับให้ความ ทุกนี่มันทุเลาเบาบางบปเลยมันเหลือความทุกข์กายซึ่งไม่ค่อยมากพอทนได้เช่นเดียวกับความปวดความเมื่อยนะเวลาปวดเวลาเมื่อยเนะี่ยเราทุกข์แต่คนส่วนใหญ่นี่ก็จะเข้าใจว่ามันทุกข์กายหารู้ไหมว่ามันทุกข์ใจด้วยทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะงหงิด ทุกใจเพราะผักใส่ไม่ยอมรับใจมันก็จะบ่นนะ่เมื่อไรจะหยุดพูดสักทีฉันเมื่อยฉันปวดเต็มทีแล้วอยากจะลุกอยากจะขยับแข้งขยับขา ใ, ใจที่บ่นนี่แหลนะที่มันทำให้ทุกเสียยิ่งกว่าไอตัวปวดตัวเมื่อยซึ่งเป็นความทุกข์กายอันนี้ครูมไปถึงไอ ความทุกข์ในยามที่เราเจ็บเราป่วยป่วยด้วยโรคร้ายเช่นมะเร็งเนี่ยแม้บางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ปวดกายแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ตระหนักว่าอี่นีทุกจริงๆนนะมันเป็นเพราะความทุกข์ใจ มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นมะเร็งเมื่ออายุสามสิบเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วก็เป็นมะเร็งที่มันเกิดว่าเกิดคนแก่ทึงแรกหมอเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าเธอเป็นก็ยังซับไซด์ว่าเธอสูบเป็นเพราะเธอสูบบุหรี่เยอะหรือเปล่านะจึงเป็นตั้งแต่อายุสาสิบแต่เธอไม่เคยสูบเลยตอนนี้เธอเป็นเธอก็เวียงเธอก็วีนมาก ยอมรับไม่ได้ยอมรับมะเร็งไม่ได้แถมเป็นมะเร็งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นคนวัยเธอเลยแต่ตลังเธอก็ได้มาทบทวนได้มาดูจิตดูใจขางตัวก็เห็นสัจธรรมหลายอย่างเธอบอกว่าเนี่ยมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปห้ความทุกข์ใจต่างหาที่มันทำเนี่ย มะเร็งเนี่ยมันก็ทําได้แค่ทําให้กายเราเป็นทุกข์หรือว่าร่างกายติดขัดแต่มันไม่ทําให้เรา ย, ยิ้มหายไปถ้าเรา ย, ยิ้มหายไปเป็นเพราะทุกข์ใจและทุกข์ใจเพราะอะไรนะตัวบอกว่าความจริงเนี่ยบางครั้งก็โหดร้ายนะแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่า เพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราไว้มารเรงเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วนะแต่พอไม่ยอมรับมาเร็งเนี่ยนะอันนี้หนักกว่าเพราเธอเห็นตรงนี้นะเธอในสุดเธอทำใจยอมรับได้เพราะว่าใ จ, ใจเธอสงบเลยทั้งที่มาเร็งมาลุกนรามไปขั้นที่สี่แล้ว จใจเธอกลับสงบ ก, กว่าตอนที่เป็นใหม่ๆถ้าสุดท้ายเธอก็ไปสงบสร่งที่มันทำร้ายเราจริงๆเนี่ยนะหรือยิ่งกว่าอะไรอื่นเนี่ยมันไม่ใช่มะเร็งนะมันไม่ใช่ความเจ็บป่วย แต่มันคือใจที่วางไว้ผิดเช้นไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่ยอมรับได้นี่มันความทุกข์มันเบาลงไปเยอะเลยนะอันนี้รวมถึงความทุกข์กายด้วยยังมีเพื่อนที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ นั่งเรว่านั่งสมาธิกันทั้งวันเลยติดต่อกันหลายวันเธอก็เป็นผู้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งพอานั่งได้แค่สามวันนี่ก็ไม่ไหวละปวดเมื่อยมากปวดเหมือนกับว่ากระดูกนี่กระดูกขานี่มันจะหลุดออกมาเลยในใจนี่มันก็ร้อนรุ่ม ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยิ่งมารั่วเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนอิเรียบยก็อีกต้องชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าแค่อีกห้านาทีก็ยังพอไหวแตวนี้มัน ก, ก็เป็นชั่วโมงไม่ไหวจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ไหวแต่ถึงจุดหนึ่งต้องมีความคิดหนึ่งผดขึ้นมาว่าตายก็ตายวะ่ะ พอคิดแคนี้ประกอบใจมันโล่งเลยนะมันเบาลงเลยไอความทุกข์กายยังมีอยู่นะความปวดความเมื่อยยังมีอยู่แต่พอใจมันยอมรับได้มันมันเบาเลยการที่เธอพูดขึ้นมาว่าตายก็ตายว่าเนี่ยมันมันแปลว่าหรือมันช่วยทําให้ใจในยอมรับได้ใจยอมพอใจยอมรับได้นี่มึง จิตมันหยุดดิ้นเลยนะพอหยุดดิ้นปุ๊บจิตมันก็หายทุกทุกกายมีแต่ใจไม่ทุกข์หรือว่าใจก็ทุกน้อยให้ลองสังเกตดูนะไอ้ที่เราไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยนะลองสังเกตดูมันทุกข์กายเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าทุกข์ใจด้วยแล้วทุกข์ใจเพราะอะไทุกข์ใจเพราะไม่ยอมรับขึ้นชื่อว่าไม่ยอมรับเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ทุกข์มากนะ ไม่ยอมรับมาเท่าไหร่ก็ทุกมาเท่านั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือมีอะไรที่กระทบเราแต่ทางตรงข้ามเนี่ยถ้าใจยอมรับได้แม้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะรุนแรงแค่ไหนนะแต่ใจก็เป็นปกติคนคนนึงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าใจสงบพราะเขายอมรับแต่คนอีกคนนึงนะเป็นหญิงสาววัยรุ่น พบว่ามีสิวไม่กินไปบนใบหน้านะ่ยแต่สันทิตที่ยอมรับไม่ได้นี่โอ้มันทุกข์มากเลยนะจะเป็นจะตายให้ได้บางคนถึงกับรู้สึกว่านี่มันคือวิกฤตในชีวิตเลยสิวเนี่ยกับมะเร็งนี่มันต่างกันเยอะเลยนะแต่ทาไมบางคนเจอมะเร็งแต่ใจสงบแต่คนนึงเจอสิวเนี่ยจะเป็นจะตายให้ได้มันไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขา แต่มันอยู่ที่ว่าเขารู้สึกกับมันอย่างไรถ้ายอมรับได้สิ่งใหญ่ๆนะก็กลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ายอมรับไม่ได้สิ่งเล็กๆ ก, ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นใจเนี่ยที่การยอมรับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทำให้ใจเราสงบนะแม้สิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะรุนแรงดี่กว่าความเจ็บป่วย เช่นความตายมีเพื่อนคนนึงที่เเคยมาอบรมที่นี่หลายปีก่อนเขาเล่าว่าเคยไปเล่นน้ําทะเลที่ระยองก็เล่นน้ําเพลินๆอยู่นะประากฏว่าจู่ๆก็สังเกตว่าเนี่ยตัวเนี่ยถูกกระแสน้นําพัดออกไปไกลจากฝั่งออกไปทะเลที่มันลึกขึ้นลึกขึ้นจะตกใจมาก ตอนนั้นเธอไม่รู้ว่ามันมีกระแสน้ําใต้ผิวน้ํำนะที่มันแรงมากสัดจากฝั่งพัดเธอออกไปสู่ทะเลเธอต้พยายามว่ายเขาหาฝั่งแต่ว่าน้ํามันแรงมากว่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จทางออกจักฝั่งไปเรื่อยๆว่ายจนเกือบจะหมดแรงแล้วเธอรู้ว่าถ้าว่ายต่อไปนี่ตายแน่ แต่แม้จะไม่วาก็ตายเหมือนกันพอเธอรู้ว่าเธอกำลังจะตายนะั้นเธอยอมรับฉันตายแน่ยอมเธอหยุดไหว้แล้วก็ปล่อยมือลอยคอยไปตามกระแสน้ำตอนนั้นเธอรู้ว่าใจมันสงบมากเลยนะมันสงบ ก, กว่าอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนทอนทีกำลังจะตายนะ สงบมากนิ่งชักพักกระทรวงมันมีคลื่นมากระทบเป็นคลื่นที่กําลังพัดตัวเองในข้อหาฝั่งเธอก็เลยรู้ว่าเธอหลุดออกจากกระแสน้าก็เลยพยายามรวบรวมกําลังไนหะวเข้อหาฝังเพื่อนๆ น, นเห็นนะที่เห็นตั้งแต่แรกแต่เพื่อนช่วยไม่ได้แต่พอเห็นเธอเนี่ยไหว้ข้อหาฝังเพื่อน เ, อนเอนก็เลยไหายไปช่วย พาเธอกลับขึ้นฝั่งปลอดภัยแล้เธอก็รู้ภายหลังว่าในตรงนั้นเนี่ยมันมีคนตายเยอะยตายเพราะอะไรตายเพราะว่าหมดแรงว่ายทวนกระแส น, น้าไม่ไหวหมดแรงตายแต่ว่าจะรียเคราะห์ดีหรือว่าเป็นเพราะเธอมีสติก็ได้เธอรู้ว่าเนี่ยว่ายไม่ไหวแล้วเธอก็พร้อมตายยอม ในการทําเช่นนั้นแหละมันทําให้เธอรอดได้เพราะว่าพอเธอลอยคออยู่สักพักเนี่ยก็หลุดจากกระแส น, น้ําเธอร่วนที่หลังเนี่ ย, ยใ้การไหว้ขาฝังก็เจอกระแส น, น้ําเนี่ยตายอย่างเดียวยมีแต่จะต้องไหว้ขนาดขอฝังน่ถึงจะรอดเพราะว่ากระแส น, น้ำใต้ผิวน้ํานี่มันมันแคบไหว้ตัดออกมานี่ก็สักพักก็หลุดแล้ว เรือที่เธอเรื่ อ, ท, อที่เธอเล่าเนี่ยมันก็มันก็ชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะเจอความตายเนี่ยซึ่งดูน่ากลัวแต่ทันทีที่ใจยอมรับได้นี่นมันสงบเลยจร้งจริงพูดได้ว่าเนี่ยความตายเนี่ยไม่น่ากลัวถ้าาความกลัวตายตถ้ากลัวตายแล้วเนี่ยโอ้มันทรมานมากเลยแม้จะยังข่างไกลจากความตาย ถ้กลัวตายแล้วเนี่ยมันก็อยู่เหมือนตายเลยนะคนที่พูว่ตัวเเป็นมะเร็งวันแรกๆหรือช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้สึกมันเหมือนตายเลยคือไม่มีชิชวากินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรตายอยากกระชีวิตเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจอันนี้เรื่อยอยู่เหมือนตายหรืออยู่เหมือนคนตายหรือว่าตายทั้งเป็นเลยนี่เพราะความกลัวก็ยอมรับไม่ได้ แต่วพอยอมรับไม่ได้เนี่ยมันทำให้ตายเร็วเขา้าเนี่ยมีผู่ญงคนหนึ่งเนี่ยก็อายุมาเจ็ดสิบป่วยไม่รู้เป็นอะไรกเข้าเข้าเอาโรงพยบาบาลนัล่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนเขาพูดตรงๆแบบนี้เลยนะไม่มีอม้อมค้อมจะตกใจมาก ไปบ้านแกก็กินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลตื่นตระหนกตกใจว่าตัวเองต้องตายไม่ได้เตรียมใจไว้เลยแล้วคงจะกังวลอีกหลายเรื่องกังวลเรื่องรูปกังวลเรื่องว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษากบอกว่าแกอยู่ได้แค่สิบสองมันแกก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแต่แกอยู่แค่สิบสองวัน เขาเป็นเพราะว่ามะเร็งมันลุกรามอย่างรวดเร็วภายใน12วันนั้นหรือเปล่ลานะคงไม่ใช่คนบางคนหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนบางทีอยู่ได้ถึง6ปีทั้งที่เป็นมะเร็งตับแต่อะไรทำให้ป้าคนนี้แกตายแค่12วันแล้วจากที่ได้ข่าวความกลัวตื่นตระหนกยอมรับไม่ได้ ให้มาเร่งเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าใจที่ปฏิเสธใจที่ตื่นกลัวนะความตายก็เหมือนกันนะความตายก็ไม่ร้ายเท่ากับความกลัวตายแล้วพอกลัวตายเนี่ยมันทําให้ตายเร็วแล้วก่อนตายก็ทุกข์ทรมารแต่ตทันที่ใจยอมรับได้มันความตายก็กลายเป็นมิตรสงบได้ทั้งที่เผชิญกับความตาย นั่นใ้ขณะที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะก <s up> ็จะมัวไปส่งจิตออกนอกตัวมากเกินไปไปคิดว่าเสียงดังอากาศร้อนหรือคนนั่นคนนี้ทำให้เราทุกข์หรือว่าไปบ่นกลด่ามะเร็งว่าทำให้ช่วยเราเปลี่ยนไปกลับมาดูใจตัวเองะัะ ก็ระวังใจถูกหรือเปล่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่อันตรายจากภายนอกแต่มันคือ้ความกลัวความวิตกความหลงเพราะไม่มีสติซึ่งทำให้ใจผลักไสมันที่ทำให้ใจนี่ไปไปจดจ่ออยู่กับ สิ่งที่ไม่ชอบซึ่งทำให้ทุกมากขึ้นพระเจ้าแต่ว่าอันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็คือมุงเยี่ยวเขี้ยวขอภัยธรรมชาติหรือว่าคนร้ายอาจจะรวมถึงยาพิษในอาหารต่างๆส่วนอันตรายที่ปกปิดเนี่ยคือคือ ความโลภความกลัวความหลงความกลัวความถือตัวความอิจฉาไอพวกนี้เนี่ยนะมันจะว่าเวลามันน่ากลัวกว่าอันตรายที่เปิดเผยนันาไมเกิดถ้าใจเราปล่อยให้มันเข้ามาครองใจลบคนจิตใจนี้มันสร้างความทุกข์เรายิ่งกว่ามาเร็งยิ่งกว่าอะไรสิ มีพระที่เบตท่านหนึ่งนะเมื่อห้าสิบกวปีก่อนท่านถูกคอมมิสจับกลุ่มเราคงทราบ ว, ว่าห้าสิบหสิบปีที่แล้วในคอมมิวนิสไปยึดที่เบตเอาไว้พระหลายรูปก็ถูกจับกลุ่มคุมขังท่านนี้ก็ถูกจับกลุ่มอยู่คุมขังยี่สิบปีแล้วก็ถูกทรมานอยู่ หลังจาก20ปีเขาก็ปล่อยท่านเป็นอิสระท่านก็รี้ภัยไปอินเดียทาราลามาเนี่ยได้ข่าวก็ไปเยี่ยมท่านเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ของท่านเป็นอาจารย์ทาลาลามาเป็นทารับลินโปเช่ก็ไปสนทนากันมีตอนหนึ่งทารลามาก็ถามว่าตอนที่ท่านถูกขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดแานที่ท่านรินโปเช่จะบอกว่ากลัวถูกทรมานกลัวถูกต่อกขามาบ ต้อบอกกลัวว่าท่านจะไปโกรธไปเกลียดคนที่ทารมานท่านเป็นคําตอบที่หลายคนนึกไม่ถึงเนี่ยทําไมท่านถึงกลัวว่าจะไปโกรธไปเกลียดเขาเหตุผลนึงก็เป็นเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านไปโกรธเกลียดเขาเนี่ยจิต ท, ท่านก็จะเป็นอกุศลอาจจะเผลอพูดร้ายทําร้ายซึ่งเป็นการผิดศีลผิดศีลแล้วมันก็เป็นบาปเกิดวิบากกรรมขึ้นมาเดือดร้อนท่านอีก แต่ท่านมาชอ่อีกให้ผลก็เพราะว่าท่านรู้ว่าฐานจีนเนี่ยนะทําร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ให้กับจิตใจท่านได้แต่ถ้าท่านปล่อยให้ใจโกรธเกลียดเมื่อไรนี่ยนะท่านก็จะไม่ใช่แค่ทุกข์กายเลยทุกข์ใจเลยและสำหรับท่านนะคงตระหนัว่าทุกข์ใจนี่มันร้ายกว่าทุกข์กายเยอะเขาทําร้ายเรายัางไงก็ยังไงก็รักษาใจเอาไว้อย่าให้ใจทุกข์ ให้มันทุกแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกแต่ถ้าทุกกายเมื่อไรแต่ถ้าทุกกายด้วยทุกใจด้วยเน่ยหนักมากเลยและทุกใจนี่ไม่ใช่เพราะอะไรทุกใจเพราะปล่อยให้ความโกรธความเกลียดนครองใจแลวทุกใจเนี่ยมันหนักกว่าทุกกายเยอะท่านฉลาดพอที่จะไม่ไม่ยอมให้ใจเป็นทุกข์ด้วยท่านก็เลยกลัวว่าถ้าโกรธเกลียดเมื่อไรนี่แย่เลย อันนี้ระหว่าตรายที่ปกปิดมันน่ากลอวันตรายที่เปิดเผยนะแล้วการตรายที่ปกปิดมันก็ไม่ใช่มีแค่ความโกรธความเกลียดมันเป็ความกลัวมันหลดถึงการดิ้นรนผักใสไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจ ะ, จะรับเพื่อปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือความสัมพันธ์กับผู้คน อย่าไปมองแต่ข้างนอกอย่าไปโทษแต่ข้างนอกให้กลับมาดูใจว่าใจเราวางไว้ถูกไหมปล่อยให้อันตรายที่มันปกปิดมันเข้ามารบกวนรังความครองใจเราหรือเปล่าอันนั้นนะคือสิ่อที่น่ากลัวมากกว่างา น, นที่ผู้เจ้าต่อกันในใจต้องทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เนี่ยมีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ด้วยใจเนี่ยมันถึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมาก ลองพิจารณาค่าควรแล้วก็ามาไต่ตรองสำรวจกับประสบการณ์ของเรากวาชีวของเราก็จะเห็นได้ว่าใจในเรื่องสำคัญมากถ้าไม่ดูแลไม่รักษาไม่ไม่ฝึกให้ดีๆเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นจุดอ่อนหรือเปิดช่องให้ความทุกธาโทบเข้ามาเล่นงานจิตใจ แล้วก็จะตามไปสู่ความทุกข์กายได้ชาญยุกันทนีนะพร้อมกน